No, no, no. ทำกันมีแต่เรื่องธรรมะนี่แหละเราแล้วขาดธรรมะก็ไม่คดีอะไรผิดอะไรถูกควรที่จะบอกกันพูดกันบางทีเราลู่อยู่แต่ไม่เอาไปทําก็ฟองลู่ใช่ไหมได้ต้องมองีการกระทําบ้างอย่างเราสวดอุทิศวันนี้อุทิศให้วิดามารดาคูประชาอาจารย์เราใช้คำพูดพอต้องออกไปทําอุทิศให้คือทําเพื่อ ถ้าแม่เาจะไม่มีแล้วแต่เราทําเพื่อความดีแล้วก็ไปทําความดีเอาชีวิตเราไปทําดีเอาชีวิตเราไปเล่าความชั่วสุนทรและลาชาสุนทรคือพระอาทิตย์ดวงจันทร์พระรุฟพระอาทิตย์ดวงจันทร์ทํางานอย่าให้เกิดโลกร้อนที่มันทําให้เป็นเรือนกระจกสัวนนี้บางทีเขาไม่ ถือถุงปติกไปเชื่อของเอาถงผ้าไปจปะไปเชื่อของเอาถงผ้าไปถือกลับมาก็ซักไว้ไม่เอาถงพติกมาถึงร้านเพื่อไม่เป็นภาระฉันจันลาชามถ้าเกิดเถิดานเรื่องกระจกพ่อโลกก็ร้องขึ้นผู้ที่ให้พงศ์สดอย่าทําให้ตอนนี้เดือดร้อนอย่าทํำคนเดือดอร้อนออาไปทำ อย่มีตะนาวประธานถ้ามาแดงเดือดร้อนเมื่อแดงเดือดร้อนก็แสดงออกในความเดือดร้อนแจกสิ่งนวัตถุอื่นเราก็ต้องโกรธเกา่านี่แต่ว่าเอาไปทําในใจพูดสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้าเคารพพ ร, ระพุทธเจ้าเคารพธรรมเมื่อเลือกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงเคารพพระธรรมพระธรรมเคลายความชั่ว ก็คือทำรวมดีคือทำแต่วพอทำก็อย่าทำชั่วห่างไกลออกไปแล้วว่ทียนสอนพวกเราว่าความชั่วเหมือนชี้ไก่ขี้หมาพูดต่างๆอย่าเข้าไปเหยียบมันจะติดเอาเมื่อมันติดเอามันก็สังคมหลังเกียดคนนี้เป็นคนชั่วเล็วซ้ำนเน่ยจะเข้าไปใกล้คาลบอีกช่างสิบวาหลีคนบ้าร้อยเส้น รบธรรมอันหนึ่งที่ทำเป็นกุศล น, น้อมมาใส่เราแสดงออกทางกายทั้งวาจาทังกิจใจน้อมก็มาให้มีในเราเยื่นความรู้สึกตัวให้มีในเราเมตตากรุณาให้มีในเราสอยโทโสโมโหนี่เรียกว่าคารพบไม่ใช่ไปวัาแต่กราบแต่ว่ายไม่เคยปฏิบัติคือวันนี้สมัยเอาแต่ว่าย พอบอกให้ประฏิทธรรมแล้วกำหูไม่ค่อยทำกันเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีนวิตเราแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสภาวะเสี่งการเป็นโทษไปเราจึงเป็นการศึกษาให้รู้จักรู้แจ้งศึกษาเรียกว่าสิกขาสิกขาคือศีลคือสมาธิคือปัญญาศีลก็เกิดอยู่ที่กายสมาธิเกิดอยู่ที่ใจปัญญาเกิดอยู่ที่กายที่ใจ เศนกัรจัดความชั่วอย่างหยาบๆทำลายความโลภความโกรธความหลงลงได้บ้างเบาบางลงสมาธิกัรจัดความชั่วอย่างกลางๆไม่มีทิฐิมานะสักยะทิฐิวิจิจิชาสี ร, ระประภรามาตไม่เอาตอนเป็นใหญ่จนถึงกับไปตัดกลงกับคนอื่น อย่ามีตนจนเกินไปสลายตนลงบ้างถ้ามีตนก็สุขสุขทุกทุกเห็นความสุขควาทุกข์ไม่ใช่ตนเป็นอาการเกิดขึ้นกับไปกับใจเทียบว่าสมาธิปัญญาก็รรอบรู้ในกองสังขารคือกายคือใจนี้ฉลาดมันโกดก็ฉลาดเห็นความโกธฉลาดไม่ใช่งูเห็นความทุกข์ฉลาดออกจากทุกข์ให้เป็น เห็นความหลงก็ฉลาดออกจากวามหลงให้เป็นยอมพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายฉลาดอย่า ง, งูไปให้พ้นดอกมือของมารโกมวนทั้งหลายโมมานทั้งหลายมานายันเกิดทำให้เราเสียเวลาเรือปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดขึ้นในกาที่ใจนี้ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ปัญญาเกิดขึ้นในกายที่ใจนี้ เราก็ได้ศึกษาตรงนี้ได้คําตอบตรงนี้ในข้อมูลตรงนี้ไป่ว่าศึกษานี่ก็มีเท่านี้แหละปัญหาต่างๆเกิดขี้กายที่ใจาการแก้ปัญหาก็แก้ด้วยกายที่ใจามาศึกษาให้โดยเห็นเห็นกายสภาวะกายไม่ใช่จัดอุปกรณตัวตนเราเขามาก็ไม่ใช่เห็นเป็นรุ่นเป็นก้อนกระจายออก อะไรมันจะเกิดเป็นรูปมังกรศึกษาสลุงออกสัมรวมในปาตโมกปาตตโมกคือตาหูจมูกเล่นกายใจสัมรวมลงบ้างอย่าให้กระเจยกระจายเกินไปไม่ยินดียินายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นเลียมลดตูกต้องปฏตาปะอารมเกิดกระใจสัมบรวมไว้บ้างอย่าุลุดสวาจาิุ ยอมบลบยมปฏิเสธเถินไปให้เป็นกลางๆเอาไว้หรือว่าสำรวมอย่าเชื่อง่ายตาเห็นโลกก็อย่าเพงตัดสินใจพอใจไม่พอใจหูที่ยินเสียงก็อย่าเพิ่งด่วนไปพอใจไม่พอใจสำรวมลงกล่อนเรื่อปาติโมกเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำ ต, ตามข้อพระองค์อนุ ญ, ญาตอะไรที่ไม่ใช่คุณประโยชน์ก็ เว้นซะอะไรที่ไม่เป็นโทษก็ทำตามไปให้ตาคุณาเพื่อเพื่อเผื่อแป่ต่อกันไปไมาเห็นกายตามความเป็นจริงมาเห็นเวทนาเกิดกับใจาตามความเป็นจริงมาเห็นจิตที่มันเกิดขึ้นคิดหน้าจิดหลังต้องเที่ยวไปตามความเป็นจริง อย่าเอากายอยา่าเจิตมาเป็นตัวจุกตัวทุกข์พอหมาให้การศึกษาเราอ <Yeah. S 1> ย่าให้มันหลอกได้จุกทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันหลอกเราเฉยทุกข์กี่ครั้งก็ยังทุกข์อยู่น่าจะฉลาดสักหน่อยโกทข์กีครั้งน่าจะฉลาดก็หลอกอยู่ตลอดชีวิตตรลาดตรงนี้ด้วยเห็นกายเห็นใจ mm hmm. พิศนาเห็นจิตเห็นธรรมพรรมเศ้าหมองควาหมดจด เลือกได้จนเห็นเป็นรูปทำเป็นนามทำมันกว้างขวางไม่จนพอเห็นกายเห็นใจมันจนมันแคบมันมัดมือโชคเราพอเห็นเป็นรูปเป็นนามมันกว้างขวางเหมือนคนอยู่ในห้องถ้าไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามแต่ร้อนก็ร้อน ออกไปเดินโลบขอบสาดวงบานคนละอันกันอยู่ในห้องนี้เราเดินอยู่ในห้องนี้ในตึกนี้ในศาลาหลังนี้นอาคารหลังนีไนน้ไม่เห็นข้างนอกไปเห็นข้างในในความสุขความทุกข์มันอยู่ด้านในกันไปน่าจะออกจากความสุขความทุกข์บ้างเพว่มันกว้างขวางจะเห็นเป็นรูปเป็นนามมันก ว, ว้างขวางไปเห็นเป็นกายเป็นใจมันแับแคบหนีไม่ได้เหล็กนี้ไม่ได้ ถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามเล่าเปิดออกลูกแย่งโลกเป็นรูปที่มันเป็นรูปมหาปุตตะรูปเป็นรูปท right> uh ี่อาศัยทําความดีเป็นรูปที่อาศัยละความชั่วเป็นนามเป็นนามที่อาศัยละความชั่วเป็นนามที่อาศัยให้ทําความดีได้สําเร็จถ้าเห็นเป็นรูปเป็นกายเฉยๆเนี่ยมันเห็นทางมันไม่พบทาง เรามีสติศึกษาก็เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเลยไม่ต้องเรียกว่ากายไม่ต้องเรียกว่าใจเรียกว่าเป็นรูปเห็นกายเป็นรูปเวทนาไม่ใช่เรียกเวทนาเป็นอาการของรูปไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่เห็นรูปเห็นนามเอาเวทนาเป็นสุกไปทุก์ว่าตัวว่าตนเลยไม่เห็นทางจ้า ก็เห็นรูปเป็นนามก็เห็นปัาการของกายของจิตเป็งสุขเป็นทุกข์ป็นาการที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตเป็นธรรมชาติปัญาการของเขาไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในรูปในนามกระจายออกสลุงออกที่ว่าเสียขาเสียขาคือสลุงคือย่อยออกไม่เป็นดุลแม่นก้อนแต่ก่อนมันเป็นดุ้นดีใจก็ดีใจไปเลย เสียใจก็เสียใจไปเลยสุข ก, ก็จุขไปเลยทุกข์ก็ทุกไปเลยพอมาเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วเราเห็นมันแล้วไม่เข้าไปเป็นกับมันมันก็ละอนการเมื่อถอนออกมาลื้อถอนออกมาแต่ก่อนมันเหมือนหน้าผาชนความทุกข์ก็ทุกข์ทันทีชนความสุขก็สุขทันทีพอเห็นแล้วก็เห็น มากระลาดลงมาสักหน่อยไม่ไปชนหน้าผามีทางหลบทางเหล็กเหมือนทางขึ้นเขาทางขึ้นจะขึ้นเขาได้ต้องลาดไว้ทาไม่ลาดขึ้นมาได้ชีวิตของเราที่จะผ่านถูกผ่านทุกได้ต้องลาดลาดไว้มีสติมีจัมชัญญ ะ, ะ, ะ, ะ, ะดูหน้าดูหลังก่อนอย่าเพิ่งด่วนรับอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธดวนลาดไว้ให้เอียงไปไหลไปสู่มอกสู่ผล ความสุขว่าเป็นสุขความทุกข์มันเป็นทุกข์มีแต่เห็นครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการกระจายนี้มาใช่ตัวใช่ตนเลยไม่ออกมาเป็นตัวเป็นตนเอามาเป็นสติปัญญาแล้วก็บอบบางลงโดยที่สวก็พบทางชัดเจนเพระเห็นแล้วไปเห็นก็พ้นภัยแต่ไม่เห็นก็ยังมีภัยอยู่ ถ้าเห็นเราก็ไม่มีภัยหลุดพ้นขณะที่เห็นนั้นเหมือนตาที่เราเห็นทางเห็นงูก็ไม่ให้งูกัดเห็นหลุมก็ไม่ตกหลุมเห็นตอก็ไม่สะดุดตอการเห็นนี่มันปลอดภัยตอนนั้นไม่เป็นการเห็นรูปที่เป็นดุลเป็นค้อนตาเนิ่นเห็นสิ่งที่เป็นดุนเป็นค้อนตนตอนในคือสติจำชยะเห็นเป็นนามด้วยตั้งรูปด้วยกายก็มีจริง สัมผัสร้อนหนาวไม่จริงแต่ความร้อนความหนาวไม่ใช่เรื่องของกายเป็นอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นอาการเกิดขึ้นกับกายกายถ้าไม่มีความร้อนความหนาวมันก็ไม่ใช่กายก็มันร้อนมันหนาวเรียกว่ากายทรรมาที่เป็นสัญญาณภัยของกายเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือมันเทาบางกำหนดรู้เดียการรู้กำหนดรู้เดียการมันเทากำหนดรู้เดียกันละออกไป บางอย่างก็วันเทาบางอย่างก็ละบางอย่างก็รู้เฉยๆละไม่ได้เช่นเราหายใจก็าหายใจออกเนี่ยละไม่ได้ต้องหายใจกำหนดรู้ด้วยการกรู้ไปความเที่ยงกับความทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็ละไม่ ไ, มมได้เมื่อตาบใดยังมีกายอยู่ก็ตกอยู่ในความเที่ยงเมื่อตาบใดยังมีกายอยู่ก็ตกอยู่ในความเป็นทุกข์ เมื่อตอบใจมืกายหยุดก็ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนละไม่ได้เช่นนี้ไม่ใครเป็นใหญ่ได้ในกายในในรูปนี้มันก็ไม่ฟังเสียงใครเห็นเวลาร่อนก็ล่อนเวลาหนาวก็หนาวเลื่เหตุปัจจัยของกายที่เกิดขึ้นกับภายนอกภายในยแล้วก็ดูก็ฉลาดรมหนูรูปโ ด, ดยการละเคยใจเคยนามมาทำนั้นทำไมได้ถ้ามันโกรธ จะวันเท่าก้มโกรธด้วยกันด่ากันฆ่ากันเพื่อจะให้หายโกรธมันมันแบบนั้นไม่ได้ต้องละทันทีละทันทีเหมือนไฟตกใส่ขาเราปัดออกทันทีไม่ต้องช้าเมื่อเราเหยียบไฟก็ยกเท้าออกทันทีเอาไฟตกเราก็ปัดออกทันทีอย่าไปถามหาไฟมาจากไหนทําไมใครทำให้เราไฟมาตกขาเราถามหาคนที่ทำให้ไฟมาถึงเรา เมื่อกม่่เราปวดเจ็บปวดอยู่นาทีสองนาทีสิบนาทีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีไม่รู้จักออกออกเราก็เป็นทุกข์ไม่ใช่หาเหตุผลอันความโกรธความทุกข์แน่เหตุผลไม่ได้ต้องเปลี่ยนนันทีเปลี่ยนดอกทันทีด้วยจยกเปลี่ยนไล่เป็นดีที่ว่าปฏิบัติธรรมให้เป็นนักธรรมมันก็เกิดอยู่ที่กายที่ใจเรานี้ มาได้ไปหาที่ใดเกิดทุกข์อยู่ใจก็เอาใจนั่นแหละเป็นเรื่องไม่ทุกข์เกิดทุกข์อยู่ที่กายก็กายนั่นแหละเป็นเรื่องไม่ทุกข์ไม่ใช่ประตูอื่นภายนอกไม่ความร้อนที่กายก็ไม่ต้องไปหาเอาความเย็นที่เป็นสุขร้อนไม่เป็นทุกข์ก็ได้ให้กายให้ใจช่วยกันรวมมือกันสมคีกันอย่าบีบเบียนกันายร้อน ใจมันเย็นบ้างแตนี้ก็ช่วยกันสา ม, มัคคีกันถ้าเราไปเห็นลูกเห็นน้ําก็ขัดแย้งกันกายร้อนใจก็ร้อนซ่อมเติมกันลงไปกลายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์เพไม่เป็นประโยชน์ต่อกันเป็นโทษต่อกันทั้งสองอย่างถ้าถูกสอนก็ถูกสอนทั้งสองทางถือร่างกายด้วยถูกทั้งใจด้วยสําหรับพระเรียบุคคลเน่ยถูกเฉพาะเรื่องกาย อันใจนี้ไม่ต้องถูกอะไรเลยตลอดชีวิตถ้าว่าสุขว่าทุกข์เกิดกระจไม่มีเลยนีแต่ธรรมชาติอันนี้อก็ปวดภัยไม่มีภัยก็อยู่เหนการเกิดเจ็บเจบตายได้ถ้าฝึกหัดไปถ้าลองให้ฝึกหัดใจเป็นทุกข์ก่อนถึงใจก่อนสุขกที่ใจก่อนทุกข์กที่ใจก่อนลองรับทุกอย่างจากใจดีจะอะไรเป็นใจที่เสียศูนไปหมดเลยเหมือนมีด มีดเป็นมีดดีๆเอาไปใช่แต่พื้นแต่ผืนก็เสียความเป็นมีดได้จิต ใ, ใจเราก็เหมือนกันแต่ความอรุณธสอยู่พอใช่แต่เ ป, ปรตตปับไปก็เปืดอเพื่นแล้วพระพุทธเจ้าตัดว่าจิตของเรานีกว่าพระพสอนผ่องใสมาแต่เดิมแต่สิ่งที่จรมาทำให้จิตมันเศร้าหมอง ปัปพัชะละไม่ตั้งพิกเว ก, ออาาเ ก, เเกิตังตันจัโคอาการตกใจหิอุปจิเลใชอุปปิถังในภาษาคาถาแต่ถ้าเราจะแปลว่าใจนี้ประพัชสอนผองใสเหมือนผ้าขาวสะอาดแต่สิ่งที่มาทำไมผ้าเปืดอเพื่อนมันไม่ใช่ผ้ามันเป็นอาการตกะมันจอมาไปเปิดเปื่อเพื่อนกับอะไรมาใครคิดสิ่งใดไปย่อมสิ่งในมาก็เปืดอเพื่อนไวแต่อันเพื่อนไม่ใช่ผ้าซักได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่ สังขารปรมาถูกขาความเพื่อนเป็นสิ่งที่มาเปิดเพื่อนใชสังขารปรมาสุขขังเอาออกได้อยู่ออกได้อยู่ถ้าเปลี่ยนความเพื่อนเป็นความเพื่อนเป็นความสุขเป็นความโชคแท้เราจะอย่าให้มันมาเพื่อนได้ง่ายๆเกินกว่าเอารู้จักสําระออกจากข้อออกไม่มีที่ตั้งจนไม่มีอะไรมีแต่เห็นไม่เป็นอะไร ถ้ามันจำนี้จำนานขึ้นก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรสุขก็ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นเรื่องของจิตใจเมื่อไม่เป็นอะไรกับอะไรนะ่ะสูงสุดของชีวิตจังเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ใจอันตกต่ำอยู่ยกขึ้นมาจนไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยเหมือนเวลาว่าสรุปะะของอาจารย์ว่าจิตใจนี่เหมือนกระจกเงา วันเช็ดวันถูอยู่เสมอวัยลางบอกว่าเมื่อมันมีไก่ะจกเงาคนจะมาก่อที่ใดอะไรสูงสุดไม่จึงไม่มีไม่เป็นอะไรอย่างนี้ต้องฝึกหัดการฝึกหัดอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับการเวลาไม่เกี่ยวกับเพศวัยละทิศนิกายอะไรเลยมันคือกายกับใจเรานี้จึงเป็นหลักสาคนที่สุดมีสิต ท, ทียกชีวิ ต, ตก็ให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้ เก็ให้เลยรู้จักทิศทางเอาไว้แม่ทำไม่ได้ก่อนอนละเด้อให้เป็นนิมิตเป็นกระแสะเพราะกระแสแห่งมรรคผลให้พานรู้จักทิศทางเอาไว้แล้วก็เพียรพยายามไปทัศนารุปตริยะเห็นกระแสะเห็นแล้วว่าความหลุดพ้นกมไม่มีอะไรในใจมีอยู่หรือว่าทัศนารุปตริยะเห็นแต่ยังไม่ไป แล้วก็มีปฏิปทานนุตริยะก็เพียรพยายามเข้าไปหัดปล่อยหัดวางหัดจุ้จเจนวิมุตตานุตริยะทำให้หมดไปได้อันนี้อันก็ค่อยเลื่อนฐนานะไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิปธรรม